เทวดาชั้นต่างๆแล้วก็พรมแล้วก็นาคแล้วก็ครดแล้วก็นิพพานมีมีชั้นภูมแปกแตกต่างกันอย่างพวกเราเนี่ยเห็นตั้งแต่มนุษย์และสัตว์ทิ่ฉานชัตริราีรานในเราเห็นแล้วกับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์ที่ไรานอาหารแลกแตกต่างกัน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 ก็ ه, เที่ยวอยู่ในละแวกนั้นก็เอเขาว่าลือสีอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยเราน่าจะไปกราบลือีแต่ในโคดนี่ยก็จำแรงตัวเป็นมนุษย์เหมือนกัน เ, เข้าไปเพื่อจะไปกราบลือสีแต่นีนพญานาคนาคนะเห็นเห็น อ, อยู่อยู่กับลือีก่อนแล้วนะ่ะนั่งสนทนากับลือสีก่อน ตอนี้พอเห็นครดเข้าไปเท่านั้นจาแรงเป็นมนุษย์ครดหน่นก็จาแรงเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่พอเห็นแล้วพอหน้าเห็นครดเท่านั้นแหละอันนี้ก็คือใครข้ามันแพ้ทางกันมันเห็นกั น, นรู้เลยอันนี้ไม่ใช่มนุษย์มันเป็นครดพญานาคเขาพอเห็นเท่านั้นเขาก็เลยรีบลาลาฤาษีเลยท่านที่สิครับผมกลาบลาครับเพราว่าท่านั้นไปแบบรีบเร่งรีบรวด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 กระเพือกระเพือเข้าไปกระพือน้ำทะเลก็แวกแวกแวกเออแต่นีก็พอเห็นพญานาคพอเห็นพญานาคพญานาคก็ไม่มีที่ไปเพราะคดมันแ ว, แวกน้ำทะเลลงไปด้วยปีกของมันคดพญานาคก็สู้ชูคอสู้กับพญาคดคดน่าก็จับปลากคอพญานาคเลย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 ตายเป็นเพราะอะไรมันมีอะไรตะกอนทำไมลากได้กินได้เอาลากขึ้นมากินเปโวมันคือกินอาหารกินลำไส้ของพญานาคเลยแควจิกกินลำไส้ของพญานาคพญานาคพอได้ยินลือสีถามเท่านั้นเฮ้ยท่านลือสีถามพบได้ยังไงอันนี้เป็นความลับของตระกลูลไพได้ท่านจะถามอย่างนี้ต่อไปยศนะอย่าถามนะ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 อันนี้อย่าพูดเด็ดขาดนะไอ้เป็นความลับของตะระกูลนะลือสีนะถ้าท่านพูดไม่ได้นะอจิบหายนะเออเ็เราจะรักษาจะไม่พูดอลือสีลือสีอยู่ปาผีมะพร้านพอจากนั้นพยาโคอง เ, เข้ามาดิเข้ามากันเลยถางเป็นเป็นไงลือสีได้ความลับไหมโอ้ได้ไเป็นเรื่องอะไรโอ้ถ้าหากว่าเออ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 โบราณนกการเไปถามคนในคนเก่าแก่ดึกดำบันอายุเป็นห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคนโบราณเขาก็เคยเห็นเขาก็บอกว่า เ, ออเป็นบังไฟผีเขาว่างัง น, นะเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะเอออยากไปพูดจะไปพูดเดี๋ยวเป็นบังไฟผีเดี๋ยวผีมันมาเล่นงานฮนะออคนเดมมากุลบโบราณเขากลัวผีอยู่แล้วใช่ไหม เ, ออเขาบอ่อยอยาพูดจะพูด